ที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องนารีผลจากบทประพันธ์ของสุทธสาอ่อนค้อมขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาประมาณ14นาฬิกาทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้คะ่ะ